รวมเสียงธรรมชุดที่สองซีดีเสียงอ่านหนังสือและบทความเชิญคุณธรรมอ่านโดยโจโฉแจกฟรีเป็นธรรมทานโดยผู้ร่วมสมทบทุนหลายท่านผ่านทางเว็บไซตโโ์ j จ c h o n e t สามารถนำไปออกอากาศเผยแพร่และสำเนาบันทึกแจกจ่ายได้โดยไม่ต้องขออนุ ญ, ญาตนะครับสงวนสิทธิ์ห้ามนำไปจำหน่ายเป็นการค้าเท่านั้น สำหรับซีดีชุดนี้ประกอบไปด้วยบทความดังนี้นะครับ 1. รู้จักรักบทความดีๆจากงานเขียนของคุณดังตรินที่ทีมงานเว็บไซต์ลานทำหลายท่านได้รวบรวมและนำมาจัดพิมพ์แจกฟรีเป็นธรรมทานความรักความร้ายเรื่องที่ทำให้คนทั้งโลกเป็นทุกข์ได้มากที่สุดเรียนรู้เพื่อที่จะบริหารจัดการกับความรักของคุณทั้งการแก้ปัญหาการบรรเทาทุกข์และการคองรักที่ยืนนาน บทความนี้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับแม้แต่คนที่คิดว่าหมดไฟในรักแล้วอย่างน้อยก็จะได้นําไปแนะนําหรือช่วยเหลือลูกหลานคนรอบข้างที่กําลังทุกข์เพราะรักได้เป็นอย่างดีเรียนรู้ก่อนที่จะทุกจนจิตไม่สามารถรับรู้อะไรได้และก็ยังไม่สายหากคุณกําลังจมอยู่กับทุกข์จากความรักในขณะที่คุณกําลังคิดว่าโลกนี้ช่างแสนเศร้ามีแต่ตัวเราพูดช้าในรักขอให้เชื่อเถอะ ว, ว่านาวินาทีนี้ มีคนอีกหลายล้านคนที่ประสบชะตาไม่ต่างกับคุณเพราะจริงๆแล้วพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดเจนนะครับว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ไม่ได้บอกให้เลิกรักแต่บทความนี้จะทำให้คุณรักเป็นและหลีกเลี่ยงบรรเทาทุกข์จากความรักได้เป็นอย่างดี 2. งแง่คิดจากหนังบทความโดยคุณชลนินจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัว ซึ่งจะนําหนังดังมาอธิบายในเชิงพระพุทธศาสนาและกฎแห่งกรรมได้อย่างน่าฟังและได้แง่คิดมีเพลงประกอบฟังสนุกไปอีกแบบนะครับเป็นสื่อธรรมะที่น่าจะเหมาะกับคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี 3. ข่าวหน้ากลุ่มบทความจากข่าวหน้าหนังสือพิมพ์นํามาตีแผ่และอธิบายในเชิงหลักกรรมด้วยภาษาเข้าใจง่ายฟังสนุกได้สาระเป็นบทความสั้นๆที่มีคติเตือนใจบทความโดยคุณดังตริน และที่เหลือก็จะเป็นเรื่องสั้นนิยายอิงธรรมะจากธรรมะใกล้ตัวที่ผมเคยอ่านเสียงให้นะครับเป็นนิตยสารธรรมะออนไลน์ที่เปิดให้อ่านฟรีแล้วก็ดาวน์โหลดเสียงอ่านฟรีผลงานจากนักเขียนหลายท่านสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ดังทร i น c o m d u ม g t r i n c o m การให้ธรรมะชนาการให้ทั้งปวงหากเห็นว่า c ซดีชุดนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกันเผยแพร่ส่งต่อ ขออนุโมทนาเวนที่นี้ด้วยนะครับสามารถติดตามผลงานอื่นๆและดาวน์โหลดธรรมะอีกมากมายได้ฟรีที่ jocho.net j o z h o n e t จเจริญในธรรมครับ